แนะนำบทอัลฮักกอบทอัลฮักกอเป็นบทมักกิ亚马ีห้าสิบสองค์การบทเริ่มโดยการกล่าวถึงสภาพอันน่ากลัวของวันกียร์มาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันนั้นรวมทั้งการลงโทษของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์และสภาพอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นขณะที่มีการเป่าสังเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล เช่นชั้นฟ้าแผ่นดินและภูเขาจะแตกสลายอย่างไม่เป็นระเบียบบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของผู้ศรัทธาที่รับความสุขและสภาพของผู้ปฏิเสธที่รับความทุกข์โดยที่บรรดามุกมินผู้ศรัทธาจะรับบันทึกของพวกเขาทางเบื้องขวาและได้รับการยกย่องและความโปรดปรานส่วนกาฟิศผู้ปฏิเสธศรัทธาจะรับการเหยียดหยามและเย้ยหยันหลังจากได้กล่าวถึงสภาพของผู้ที่ได้รับเกียรติและไร้เกียรติแล้ว ก็ได <TA olo i> ้มีการสาบานยืนยันถึงความสักจรของทัรซูลและสิ่งที่ท่านได้นํามาจากอัลลอฮ์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุสลิมที่ยังว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลและคําพยากรหลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสศธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอามานะของทัรซูลซลลลอะไลฮ์สัลลัมในการเผยแพร่บัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่าน บทได้จบลงด้วยการสรรเสริญให้เกียรติอัลกุรอานและชี้แจงว่าเป็นความเมตตาแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาและเป็นความเศร้าโศกแก่พวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยพระน า, นามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือวันกิยามะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นคืออะไรและอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นคืออะไร พวกสมุดและพวกอาร์ได้ปฏิเสธวันกิยาม ะ, มมามะส่วนพวกสมุดได้ถูกทำลายด้วยเสียงกับนันนาที่น่ากลั ว, วมมลร ส่วนพวกอาร์ถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้องรรรนนพระองค์ทรงให้ภัยนี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเจ็ดคืนกับแปดวันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าเห็นกลุ่มชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้น ประหนึ่งต้นอินทพระลามที่ข้างในกลวงล้มระเนระนาดแล้วเจ้าเหียนอะไรหลงเหลือบ้างสำหรับพวกเขาฟิร์เอาและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตตาฟิกาตได้กระทำความผิด พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนาทูตของพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนักเมื่อ น, น้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนัน ي ى นวเพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้าและหูที่พร้อมจะรับฟังเพื่อจะได้จดจามันไว้อย่างแม่นยำครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสัง เป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันเกียมมรมาแผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผงในวันนั้น วันกิยามากก็จะเกิดขึ้ น, น ي ي และชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันจะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น และมลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมาลายกาจำนวนแท่านจะทูลบัลลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้ น, ว, น, ว, น, นวันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่เจ้า ه ه ا أ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาจะถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะกล่าวว่ามาอ่านบันทึกของฉันสิอินนิ ظلنتأني ملاق ا ความจริงฉันคิดว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉันแล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสาราญในสวนสวรรค์อันสูงส่งการเด็ดผลไ ม, ม้ของมันอยู่แค่มือเอื้อมการเด็ดผลไม้องมันอยล่แค่มือเอืยอม พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างเกษสมสำราญเพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทาเอาไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมาส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขาเขาจะกล่าวว่าฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉัน นมายืและไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันเป็นเช่นใดโอหากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดีทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันฉันเลย อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้วคดวจะมีคําบัญชาแก่มาลกากะหว่าจงนําเข้าไปแล้วล่ําตรวนเสียซุมมัลมะซลแล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรกซุมมะฟีซิลซิละตินดรรอฮา70ดิรฺอ์ฟัสลุกู แล้วล่ามโซเขาซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบสองแท้จริ ง, รรงเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลอผู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสนดังนั้นวันนี้ เขาจะไม่มีเพื่อนสนิทนาทีนี้และไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรกไม่มีผู้กินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิดเปล่าเลย ข้าขอสะบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นวและสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นอินลกรแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของาศาสนาทูตผู้สงกิจแทริงอัลกุรอานนั้นคือคำกาวของศาสนาตผู้ส่งก และไม่ใช่คำกล่าวของนักกวีส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธาและไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใครควดบบเป็นการประทานมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเป็การประทานมาจากพระผูอก หากเขาเมื่อมัดเสกสันกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราเราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคงแล้วเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงและแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่า มีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้าว่าอแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสีสสสยใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่